บอกเวลาท่านมาอยู่นานๆนะศรัทธาพุ่กระตกเห็นไหมเพราะท่านรู้อ่าท่านก็ยังหวั่นไหวอยู่แต่ท่านเข้าใจพระธรรมไหมเข้าใจนั้นท่านก็ต้องเลืเลอกคบคนหนึ่งท่านไปคนไม่มีศรัทธายังไปเข้าใกล้บ่อยสองคนไม่มีศีลใช่ไหมถ้าคนไม่มีสติคนหลงลืมสติอ่ะคนไม่เคยระลึกในสติปัฏฐานเลยอ่ะคนไม่มีปัญญาคนไม่เคยวิจัยอริยสัจเลยอ แล้ว เ, เราไปเกือกรั่วในสุดจริงอ่ะเรามันเป็นสัตว์ติดนิวตาอยู่แล้วยังไม่ยอมัช่ไหมได้เกือกรั่วไม่นานเราก็ติดอีกแล้วนะเข้าโอ้โหกลับมามานั่งว่าจะวิจัยอะไรได้ไดเนี่ยากจะตายเนี่ยเรื่องเป็นอย่างไงจริจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ว่าบากลุ่มพวกเราเนี่ยกลุ่มที่ฟังธรรมตั้งหลายเราไม่ค่อยพัฒนาตัวเองไงถ้าลองพัฒนาตัวเองีย่ยังมีคนอยากมาเก่าก็ทำให้ฟังเยอะที่เป็นเรื่องจริงเลยนะแล้วลองกล่าวบอกง่ายๆพวบอกปุ๊บกระตือรือร้นบอกปุ๊บกระตือรือร้น ล, ลองดูที แล้วก็ใครควรพิจารณาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเดี๋ยวก็จะทยอยออกมาองค์สององค์ทั้งนั้นมีทางถ้าไม่ใช่กลัวท่านไม่ต้องการบริษัทนะพระกลุ่นี้หนึ่งไม่ต้องการทรัพย์สองไม่ต้องการบริษัทสามไม่ต้องการคนรู้จักมากแล้วก็ไม่ต้องการมีหน้ามีตามีเกจิยโสชื่อเสียงท่านไม่ต้องการหรอกเพราะท่านมาติดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไม่ไปไหนคนตามไปแถวมันไม่ใช่ต้องการอย่างั้นนะไม่ใช่ต้องการอย่างนั้นเลยท่านต้องการอยู่สงบสมบท่านนั่นไม่เป็นงั้น เพราะว่าท่านต้องการเดินออกไงไใช่ใช่กว่ <ผม S 2> จะไปใข้ควรไปพิจารณาไปใดต่างๆเนี่ยใช่ไหมพอถ้าท่านมาคือมาแล้วมันก็เป็นกังวลกันหลายอย่างท่านคนนั้นยังไม่รู้พยายามจะให้เขารู้พยาปปยามไปพยายามพยายามไปพยายามมาเขาศรัทธาไม่มีใช่ไห ม, อมเอาคุยกันไปคุยกันมาน่ะเขาศรัทธาแล้วก็ตกตกตกเสียทีโอกวจะฟื้นศรัทธาได้อยู่ไหนนี่เป็นอย่างนี้แต่ถ้าลองดูที ถ้าอย่างเราท่านทั้งหลายเรากระตือรือร้นดูหนิลองดูพูดจะเข้าวเดี๋ยวถึงท่านอยาบอกบอกว่าทําแล้วสิ่งที่ยังไม่รู้มีเยอะเยอะไหมยังจะต้องพัฒนาขึ้นไปเยอะไม่ใช่ว่ามันเป็นเตี้ยวอุ้มขอบกันหนึ่ง <c oughs> ตรงนี้สำคัญมากก็คือว่าพอมาไปเสร็จก็มาบอกเอ๊พอมาอีกอาทิตย์หนึ่งมาดูเฮ้ยยังไม่ขึ้นมาเลยเนี่ยเอ๊ไม่ยัไม่ยอมขึ้นอีกอย่างไงนะก็ต้องมาดึงดึงกันนี่จุดเดินอย่เนี่ย ฝึกไม่ขึ้นเลยเนี้ยนะใช่ใมนันต้องพยายามเราท่านทั้งหลายก็พยายามฝึกฝนนะข้าวต่างข้าวใช่ไหเข้าวยายอมกคนนะเพราะเธอก้าหน้าผู้ผู้พัด้มาดูพุทยี่ก้าวหน้านี่โอ้นี่พิษพิพัดนะถึงถึงไม่เก้าวหน้านะเพียงให้รู้ว่าเพียรพยายามใช่ไหมเพราะศรัทธามีอยู่ความเพียรมีอยู่ถึงแม้สติและปัญญายังไม่สามารถที่จะคมชัดเยแค่นี้ทันกับ สบายใจแล้วให้ศรัทธามีเอรอใช่ไหมพุทธเจ้าบอกว่าเธอทั้งหลายปล่อยศรัทธามาหลังศรัทธามาใช่ไหมคือปล่อยศรัทธาไปที่พุทธเจ้าเรอพุทธเจ้าจัดแสดงธรรมบทเป็นต้นเลยเนี้ยอันนี้ก็ไปพิจารณาอยูนะฉะนั้นตรงนี้จะบอกว่าดูก่อนอักขิเวชนะสุกเวชนาไม่เที่ยงเงนปัจจัยไปชุมบูงแต่งใช่ไหมอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น ก็หมายความว่าสุขเวทนาเนี่ยสายปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเปิดทำไมเนี่ยเห็นไหมถ้าในดูสองส่วนเลยส่วนของตัวเขาเองส่วนที่ส่วนเป็นปัจจัยของเขาใช่ไหมตัวเวทนาไม่เที่ยงเพราะปัจจัยของเวทนาไม่เที่ยงนี้เป็นต้นตัวเวทนาเป็นทุกปัจจัยของเวทนาก็เป็นทุกเวทนาเป็นอนัตตาเพราะปัจจัยของเวทนาก็เป็นอนัตตาเนี่ยนะดูก่อนแบบที่เวทนายะสาวกนี่นะ ถามาทุกเวทนานี่แหละไม่เที่ยงใช่ไหมทุกเวทนาสายประ จ, จัยปุงแต่งไหมแล้วก็อาศัยประ จ, จัยเกิดขึ้นไหมเห็นไหมอาศัยนั่นแหละดีเลยเฉลตเลยลมเลยนั่นแหละดีะเฉลตลมรวมกันเป็นต้นอาศัยไปดูใช่ไหมอาศัยจากการที่บอกว่าบริหารร่างกายไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมเป็นต้นหเหล่านี้แล้วก็ในที่สุดจริงๆก็อายกรรมนั่นเองอวิชชาหากรรมนั่นแหละ ทุกกรมสุกเวสนาไม่เที่ยงอันปัจจัยประชุมบุ้งแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะปัจจัยต่างๆเหล่านั้นก็มีความเสื่อมสิ้นไปและวคลายไปแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาที่ปัญหาไม่มีอยู่ว่าเวลาไอ้ตัวเจตนากรรมก็ดีนะไอ้ตัวกิเลสก็ดีที่นายดีเนี่ยมันดับไปแล้วก็จริงแต่ว่า ในอดีตที่ผ่านมาเราไม่เลยได้ยักษ์สักมากเลยยังไม่เคยทํากิจการล่าราคาโทวสาโมหะมานะทิฏฐิวิจิตริชายีวิกาโนตประอุตจักรในอดีตเลยสักตัวยังไม่เคยละได้อย่างเด็ดขาดเลยและกิเลสเหล่านั้นมีโอกาสจะย้อนกลับมาสู่กระแสของขันธะาายัญนะอยู่ตลอดเวลา น, นั้นคําว่าอุปนิสัยปัจจัยของเราจึงฝังแน่นในการได้ยินดีในวัตตะไม่ว่ากันยินดี แต่เมื่อมารู้ว่าธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะวางท่าวางทางอย่างไงเราจะคิดอย่างไงที่จะคิดบ่อยๆได้มันไม่อยากออกหรอกเชื่อเถอะแล้วมันก็ยังจะยินดีกันอยู่อย่างนี้แหละถ้าขืนปล่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆ เ, เ, เ, เราก็จะเป็นสัตว์ที่กอดอยู่กับวัฏจัต่อให้พระพุทธเจ้ามาอีกล้านองค์ก็ยังเป็นอย่างเนี้ท่านก็ยังเป็นอย่างเนี้ไม่คิดเงยศีรษะออกจากวัฏจัก เป็นมนุษย์เป็นสัตว์ตาบอดเห่นไหมไม่เห็นการตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าเป็นสัตว์ที่หูหนวกเนาะไม่ได้ยินพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสัตว์ที่เป็นใบ้ด้วยไม่สาธยายพระธรรมของพระพุทธเจ้าบอกว่าเธออย่าทําเป็นคนหนวกคนใบ้เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้อุบัติเกิดขึ้นมาเห็นไหมคือบางทีเรามีปากแล้วน่าจะกล่าวพระธรรมาแต่เราไปกล่าวอะไรก็ไมพื่อ ฮัลโหลอยู่ไหมขอบคุณค่ะไม่มีพระธรรมบอกเลยนะแม่คิดถึงจังว่าจะไปหาอยู่ว่าเป็นนะมันก็อะเรื่องเลยใช่ไหมเนะี่ยใช่ไหมใช่มีพระธรรมบอกไหมไหยไม่มีเลยใช่ไหมถ้ามว่าเออเนี่ยวันนี้เป็นยังไงตรตริรยาศาสตร์บ้างหรือเปล่าใช่ไหมกําหนดทกษาาัตรชัดหรือยังปัญญาเห็นอยายศาสตรีเห็นดีไหม หรือสติเนี่ยระ ล, ลึกในกายในเวรนาในจิตในธรรมไหมกรรมฐานยี่สิบเอดที่พระเจ้าตรัสไว้ในสติปัฏฐานน่ยคร่องแคบบาปผ้าไหนเนี่ยคุยกันนี้ไหมถ้าอย่างเนี้ใช่จะเสียค่าโทรไปร้อยเป็นพันก็เสียไปไม่รูเข้าใจยังเสียไปเถอะไม่เป็นไรเราพบเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำ น, นัดเป็นไปเพื่อการปล่อยเพื่อการละเพื่อการวางใช่ไมมยะเป็นไปเพื่อจะออกจากวัฏฏะ มันโทรศัพท์จะพังไงม่ใช่เหไม่เป็นไรหรกคุยไปแตอยังเงี้ยเพราะเป็นการสนทนาว่าธรรมที่จะน้อมออกจากว้วตะอ้อมจากสงสารวัเชื่อตรนีว่าเข้าใจป่ะเออถ้าเพราะถ้าไม่ทำอย่างนี้นะมันออกไม่ได้หรอกนั่ใจมันดื่อเวืย น, นะใ น, ใน่ะเข้าใจไหมอยากเกงใจตัณหาแหละไปนั่งคิดมมนี้เยอะ ทีนี้ดูก่อนนะคิเวสนาอริยาสาวะสาวกได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ก็เบื่อหน่ายในสุขเวสนาเบื่อหน่ายในทุกเวทนาเบื่อหน่ายแม่ในทุกขมัสุขเวสนาเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายตำหนักเมื่อคลายตำหนักก็หลุดพน้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้ชัดว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วกิตที่ควรทําทําเสร็จแล้วจิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเห็นไหมนี่กระจก รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วเนี่ยชาติไหนเอาชาติไหนถ้าเราไปเจอพระไตรีดอกเราจะเจออย่างเงี้ยเวลาไปอ่านไปนี่นะรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วชาติไหนชาติหน้าก็ยังไม่ถึงชาติอดีตก็ผ่านมาแล้วชาติจุบันเนี่ยคนที่ทำกิจตรงนี้เสร็จแล้วขันต้องท่านก็ยังดำเนินไปอยู่คำว่าชาติสิ้นแล้วในที่นั้นก็คือเอกโวกลชาต จัตุวกลาชาติปัญจโวลาชาติคือปฏิสนธิชาตินะนะที่จะเป็นไปในด้านของขันหนึ่งปฏิสนธิชาติที่จะไปเกิดในอสัญญาสัจพูมท่านก็สิ้นแล้วจัตุวโกลาชาติชาติในการไปเกิดในอรูปภพท่านก็สิ้นแล้วขันสี่อย่างเดียวเนี่ยเว้นรูปขันเนี่ยปัญจโวลาชาติคือการไปเกิดเป็นเปรตสุรกายสเดชาสัตว์นรกมนุษย์เทวดาพรหมที่มีขันห้าชาติเหล่านี้ท่านก็สิ้นแล้ว พรหมอาจารย์อยู่จบแล้วพรหมอาจารย์ต่างๆไปด้วยมรคพรหมอาจารย์นนะพรหมจารย์ส่วนเบื้องต้นคือาศาสนาพรหมจารย์คือสิกาสามคือคําสอนและน้อมขผาสิกขาสามดาวคือศีลสมาธิปัญญาที่เป็นไปในส่วนเบื้องต้นมรคพรหมจารย์ก็คืออริยมรคที่สุดของอริยมรคคืออริยผลใช่ไหมผลท่านท่านเลยนะชาติของท่านตรง น, น, นั้นนะ่ะชาติสิ้นแล้วแลมรคพรหมจารย์ของท่านอพรหมจารย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทากิจสิบหกโสดาปฏิมาคก็มีอะไรปริญญายกากิจใช่ไหมในทุกขัสสะปหานกิจในสมุทิยะสัจจ์สัจจิกิริย า, ากิจในนิโรทสัจจ์ภาวนากิจในมรรคสัจโสดาปฏิมาคืสี่กิจสกาทาค้า ม, ม า, า, า, ามีมา ก, ามกาสี่กิจอนาคายมากสี่กิจอรตะมากสี่กิจสี่สีส่เท่าไหร่ กิสบหกเนะี่ยกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้กิจอื่นเพื่อจะมาทําโสดาปิมารคไม่มีแล้วกิจอื่นเพื่อจะมาทําอนาคาคาสกาฏาคา ม, มาร์คอนาคามาร์คอาตมาร์คไม่มีกแล้วเนี่ยกิจอย่างเนี้ยท่านบอกอะไรเราเรียนมงคลสามแปดอนาคุลาการงานไม่ข้างค้างการงานไม่ข้างค้างเนี่ยกิจสิบหกเนี่ย เนี่ยพวกเรานี่พวกนากุลาพวกเนี้ยนากุลาการงานค้างๆทาไม่เสร็จไอ้กิจอย่างอื่นไม่มัวทําอยู่ได้ไงกิจคือกิจคือการประชุมอริยมรคไม่ยอมทํากันเนี่ยนะแล้วกิจอื่นมันเคยทําเสร็จไหมอ่ะตายกันมากี่รอบแล้วทําเสร็จไหมเนี่ยในอดีตนะ่ยก็ด่าเราก็มีนะในสังสารวัฏที่ผ่านมาทิ้งปล่าไปกูไปตายยิ้ว ไ, ไปก่อน 80ปไีผ่านมาไม่เคยได้ฟังคแ ล, แล้วไได้แั้นไไนเีผ่านมาไม่เคยได้ฟังคนเลยการตรงน้นหน่อยตรงนี้หน่อยปฏิบัติตรงนู้นหน่อยตรงนี้หไม่ค่อยสั้ใหญ่แจริงๆนะเราิตกิตอื่นเร า, เากิตพวกนี้มันต้องรีบเร่งทำจริงเนาะ กิจที่ควรทําอ่ะเรายังไม่ได้ทำเสร็จเลยอ่ะยังไงเราไปมัวห่วงแต่กิจอื่นกันแล้วกิจอื่นไม่เสร็จที่ไหนแล้วไม่เสร็จหรอกไม่เคยเสร็จยุ่งยากมันยุ่งยากมากในกิจอื่นเอานี่นะที่เราไม่ไม่เข้าใจก็เราฟังก็เราไม่ชัดไม่เข้าใจปฏิบัติคือยังเป็นชัดยังไม่รู้ว่าเราปฏิบัติ เราไม่รู้ตัวเองก็เราก็ไม่ชัดเอาเอาใครกวาดบ้านเสร็จไหมล้างห้องน้าเสร็จไหมอาบน้าเสร็จไหมทาไปเถอะเกิดอีกลานอีหลายล้านชาติก็ต้องมาทาอีกทีเดิมๆเนี่ยน่าเบื่อเราทำกันแค่เกินวุ้ยยังน้อยนะคมีความตั้งใจม่มิจของพวกเราเนี่ยมาเป็นส่วนห แล้วตรงนี้เริ่มจะเข้าใจบ้างไหมนะแล้วตอนนี้เริ่มเข้าใจยังแต่ยพูดไม่ออกอาจารย์พูดมาเนี่ยมีความเข้าใจเยอะแต่ยังยังพูดออกมาแต่มีความเข้าใจเยอะคือปัญหาตรงนี้ก็คืออยู่ตรงที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยเราไป จิตในการทำอย่างอื่นมันเราเร่งรีบเกินไปแต่จิตในการที่จะทําอ้จะทาจะจ ะ, จ ะ, จ, ะจะอบรมอริยสัจอยู่ยเลราห่างเขินมากอันนี้นะยอมสมัย น, นะแคบจะไม่เคยมองเห็นเลยวันวันแล้วคิดจะไปทำอะไรกันอยู่เป็นไม่ทำอะไรกันอยู่นะกันการมันยังมีอกีกตัวน่งซ่เราเข้าใจเป็นแยกพอสองคนนี้มีการลงสู่การปฏิบัติคือมันระลึกดาเดี๋ยวนี้เลย ม, มันระลึกดาเดี๋ยวนี้เลย ออก็เนี่ยงั้นคนเขาฟังทำเขาจะบรรลุได้ในขณะฟังได้ไงก็ฟังแล้วก็สะเทือนใจแล้วก็ละได้อย่างนั่นเลยไงก็ฟังแล้วสะเทือนใจโอไม่เอาแล้วต่อไปเรามามัวยุ่งกับกิจอะไรอยู่ก็ไม่รู้กิจในการจะเจริญในการกําหนดรอบรู้ทุกศาสตร์นี้ยังไม่เคยทําเลยต้องเร่งทําเดี๋ยวนี้แล้วก็ฉุกคิดเบเสร็จกลับไปก็นั่งวิจัยเลยเดิน มันแยกกันนี้หนละมันแยกใช่ทีนี่งไงนี่แหละแล้วเดินเดินกุศนได้ไหมในขณะที่ฟังไปอ่ะจิตเป็นกุศนแล้วเบื่อหน่ายไหมในขณะนั้นถ้ามีความเบื่อหน่ายในขณะนั้นปฏิบัติมันเดินอยู่มีความคลายกำหนัดเกิดขึ้นในขณะนั้นปฏิบัติมันเดินอยู่พิจารณารอบรู้เห็นตามความเป็นจริงในขณะที่ฟังอยู่นั้นปฏิบัติเดินไปอยู่นะนั่นปริยัติกับปฏิบัติมันแยกกันได้ทีไหนละคําเดียวกันนั่นแหละใช่ไหม มันแยกกันไดที่ไหนใช่ไหมรัมสมัยขขาบริการเขาเฟังกันทั้งคืนในะ น, น, นั่นแหะคือการทำปฏิบัติกาลคือศีลสมาธิปัญญาเขากำลังเดินไปอยู่นะกระจายอย่างนั้นขณะที่เรานั่งสู่การปฏิบัติไปนั่งไปนั่งปฏิบัดดดแลแลติกำหนดตัวอะไรต่างๆในน้าอันนั่งตึงอันเรยนอยู่ข้อนี้ใ น, ในข้อหนึ่งนีห้าข้อในห้าข้อในยุทธตาญานะห เราไม่ใจอย่างนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องไปนั่คือ ม, มันมันมันแล้วแต่ไงว่าตอนนั้นเราไปอยู่คนเดียวอเ่ะถ้าไปอยู่คนเดียวแล้วก็ไปไข้ทวนมันแล้วแต่ว่ากรณีใช่ไหมว่าเวลาศึกษาเนี่ยอาจามาไคยบอกครั้งนึงว่าวิมุตตายตนามีาห้าเขตแห่งการหลุดพ้นเนี่ยแห่งเหตุแห่งการบรรลุเนี่ยฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้ารู้แจ้งอัทธารู้แจ้งธรรมะ เมื่อเธอรู้แจ้งอัดรู้แจ้งธรรมะและปลาโมดก็เกิดขึ้นกับเธอเมื่อปลาโมดเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมก็เป็นปัจจัยกับปีติปีติก็เป็นปัจจัยกับปัจสถานะปัจสถานะเป็นปัจจัยความสุขความสุขก็เป็นปัจจัยกับสมาธิอันนี้ก็มุตงมุ่งหมายย่ำนำถือข้อนึ่สมาธิในที่นั้นอัตถาแก้ได้แก่สมาธิในอริยสัจผลจบเลยเห็นไเนี่ยคือฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุได้นี่ข้อแรกข้อที่สองเธอไม่ได้ฟังธรรมหรอก จะพระพุทธเจ้าหรือสาวกหรอกแต่เธอนั้นเป็นผู้เรียนเป็นผู้เรียนมาอย่างดีทรงจํา ม, มาอย่างดีแล้วเมื่อเรียนหรือทรงจํา ม, มาอย่างดีเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็มาสาธยายฉะนั้นในขณะที่สาธยายอยู่นั้นเนี่ยเธอก็รู้แจ้งอัตถารู้แจ้งธรรมะปราโมทปีติปัสสติความสุขสมาธิเป็นต้นเกิดขึ้นก็คือทั้งตลอดได้เลยในขณะสาธยายเั๊บปั๊บไปอ เอาอย่างว่าเราสาธยายสวดสาธยายในีนะพุทธคุณเนี่ยแล้วเขาบรรลุได้อ่ะแต่เราสาธยายยังไงกันเราที่มรรู้ไม่ได้เนี่ยเพราะเราอัดถามพุทธคุณเราก็ไม่รู้ใช่ไหมก็เหมือนเมื่อเช้าอาจมาเวลาสาธยายบอถ้าเราสวดอิติปิโสวังะวะอาระหังสัมมาสัมบูโทโวิจ า, จาระาสัมปันโนเนี่ยถ้วบางคนเขาสวด บางคนเขาสวดในรักอย่างนี้าก็รู้อัฏฐธรรมะไปตามลําดับใจของเขาก็นอ้อมเป็นสมาธิไปด้วยพอเขาสวดไปสวดไปเขาก็เริ่มรู้ไข ค, ควรยังไม่อัดถาว่าอิทิพิโสเนี่ยแม้เพราะเหตุนั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลส ย, ยังไงสัมมาสัมพุทธโทธแต่จะรู้ชอบได้เดี๋ยพระองค์เองใจก็นอ้อมจนเป็นสมาธิพอเขาเริ่มหยุดสาธยายขึ้นมาต่อมาเขาก็สมาธิมาไข ค, ควรวิจารณาในสุวจริก็รู้แจ้งอัฏฐารู้แจ้งธรรมะไปเสร็จ ก็แทงตลอดได้เห็นปัจจัยของน้ำรูปต่างๆเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็กระทงตลอดในยศาสตร์จากคา้าศัยพุทธคุณอย่างนี้เป็นต้นสมมติไงนะเห็นไหมสาธยายอีกกลุ่มหนึ่งเรียนมาอย่างดีทรงจํา ม, มาอย่างดีแล้วก็ตรึกเอาไปนั่งตึกไขควรพิจารณาบรรลุได้เอาสีก็อัตถะธรรมานิสปามวดปีติประสิทธิความสุขสมาธิอีกกลุ่มนึงก็เอาเรียนก็มาฐานขัดบแปอย่างนี้เรียนเนี่ยเรียนไม่เสร็จก็ไขควร ก็ไปไข้ควรไปพิจารณาเหมือนกันเขาเรียกปฏิบัตินั่นแหละทั้งทั้งห้าอย่างคือปฏิบัติหมดฟังธทำก็ปฏิบัติสแสดงทำก็ปฏิบัติสาธยายธทำก็ปฏิบัติตรึกพระธรรมก็ปฏิบัติตามฐานสามสิแปดตามใข้ควรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ปฏิบัติมันอยู่ตรงว่าสิขาสามเดินไหมเมื่อไหรมาถ้าหากว่ากล่าวพระธรรมเนี่ยถ้ากล่าวด้วยกุศลจิตอันนี้ปฏิบัติเดินอยู่ เราฟังทํามเด็กุศุรจิตนี่ปฏิบัติเดินอยู่ทีนี้มันต่อเนื่องไหมนะโดยมากมันไม่ค่อยต่อเนื่องไงตัวสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญามันไม่ค่อยเกิอดอยู่ต่อเนื่องมันมีอารมณ์ท่ อ, อกุศลมาแทรกเป็นระยะระยะไงเนี่ยมันจะมาตัดรอนเป็นระยะระยะเมื่ออกุศลมาแทรกมาตัดรอนเป็นระยะระยะมันก็ทําให้เรานั้นไม่สามารถที่จะสืบเนื่องกุศุรจิตที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องได้เข้าใจใไหม ถ้าณณกุศลจิตมันเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นไปอย่างไม่ขาดสายเป็นไปอย่างเป็นระยะระยะเป็นระบบระบบเป็นต้นไปตามดับ <_ S 2> เขาเรียกว่าสามารถทําให้กุศลจิตเกิดได้ยาวขึ้นยาวขึ้นเมล็ดหินเมล็ดทรายเนี่ยถ้าหากว่าปูจากที่เนี่ยไปถึงลพ บ, บุรีเนี่ยรถมันก็วิ่งถึงลพ บ, บุรีได้ใช่ไหมจากเม็ดเล็กๆเนี่ยต่อไปถึงลพ บ, บุรีก็ได้ไปถึงเชียงใหม่ก็ได้ไปถึงนู่นก็ได้เชียงรายก็ได้ข้ามไปขั้มาก็ได้ ไปสิบสองปันนาสิบสองจีวไทยเข้าจีนก็ได้เนี่ยนะมันสามารถวิ่งไปได้เงี่ยนะมันอยู่ที่มเมล็ดหินมเมล็ดทรายมันจะต่อกันถึงไหมนี่ก็เหมือนกันตัวศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจากโลกิยะจากกุสรจิตเนี่ยมันจะสามารถมีกําลังต่อกันเย็นถึงโลกุตระไหมน่ะมันะเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติมนะันไม่ใช่วันเร็วๆวัยๆอย่างเดียวต้องไปเข้าห้องกรรมฐานถ้าคุณไม่รู้ข้อมูลมันจะต่ อ, อยังไงไม่นั่งนั่งนั่ง อึด อ, อยู่คนเดียวยึดต่อไงอ่ะกุศลมันจะเดินยังไงเนี่ยหนึ่งไม่รู้จกักกุศลสองไม่รู้จักอะไรเลยเนี่ยสติก็ไม่รู้ปัญญาก็ไม่รู้ความเบี้ยนก็ไม่รู้นะแล้วจะไปเดินกุศลอย่างไงก็ไปนั่งแล้วค่อยกำหนดยังไงเอาอารมณ์เป็นใหญ่หรือเอาศิกขาสามเป็นใหญ่ถ้าอารมณ์เป็นใหญ่ก็ไปลวาอารมณ์จะชักยูงไปยังไงก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่แล้ว อาตัวสิกขาสามที่เกิดขึ้นในกระแสของขันธ์ธาตาุเยชน่าเนี่ยเป็นให ญ, ญ่ก็จะไม่ย่มเสมอตัวศีลสมาธิปัญญายมันจะเกิดยังไงในจิตใจอะนั่นเอะตัวนี้เป็นใหญ่อะรมามานะปัจจัยเนี่ยสติเนี่ยมีปรมาเป็นอารมณ์ได้ั้มมีบัญญัติเป็นอารมณ์ได้ไหมมีอดีญญตเป็นอารมณ์ได้ไหมมีนาคเป็ น, ล ม, มมาาปนลมก็ได้ใช่ไหมแล้วกิเลสละ่ะมีปัจจุบันเป็นอารมณ์ก็ได้บัญญาเป็นอารมณ์ก็ได้มีอดีตเป็นลมก็ได้มีปัจจุบันนาคเป็นลมก็ได้ มันไปเน้นปัจจุบันเนี่ยมันมันมันเสียกันตรงนี้เพราะอย่างยมมันไปเสียตรงนี้ยังไงเพราะว่าเรามำนะปัจจัยของโลภะมันมีทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบลเอียดเร็วไปนี่ใกล้ๆแล้วรำนบปัจจัยของสติก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าโมหะรับอารมณ์ได้กว้างขวางแต่ปัญญาจะมารับอารมณ์แค่นิดเดียวนี่มันจะมีมันจะมันจะพอกันไหมเนี่ยปริมาณน้ำกับไฟวนระเรื่อมเลยเนี่ยไม่สมดุลกันแล้วมันจะดับกันได้ไงเข้าใจไหม มันกมันจริงมัก็ขึ้นมาโดยเยยดียวยุงก็ปลุกขึ้นมาแะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าทุกวันเนี่ยปริมาณอ น, อนมามัยใช้คำว่าปริมาณของความเข้าใจการฟังธรรมของพวกเรามันน้อยไปต่อเนื่องมีแค่นี้ยนี่นนเียเปด้หลักและพระธรรมที่เราฟังนั้นก็เป็นพระธรรมที่ไม่ค่อยบริบูรณ์ก็หมายความว่ามันมีอะไรแทรกเยอะถ้าเป็นพระธรรมของพระเจ้าจริงๆเนี่ยฟังไปแล้วฟังเลยแต่บางทีเนี่ยเราไปเสพบุคคลที่ไม่รู้จริงอ่ะมากอ่ะ ที่ทาไงได้ใช่ไหมสังสารวัตเป็นแบบนี้พระอาจารย์ขอถาว่าขณะที่ฟังพระอาจารย์สาธยายเนี่ยถ้ารู้สึกมันก็จะตรงกับชีวิตของเราที่มันมีมาอยู่แทบๆตัวเราขณะที่มันเกิดขึ้นที่มันมีทั้งอดีตทั้ปัจจุบันมันก็จะมีเหมือนเราศึกษาไปในตัวแต่ทีนี้ความบอกให้ไปปฏิบัติพอไปปฏิบัติปุกเนี่ยมันความรู้สึกมันทําไมมันสับสนว่า ข น, นาที่เราไปปฏบิบัติเนี่ยเค้าเคยเคยฟังอาจารย์ท่านหนึ่งต่างว่ามาปฏิบัติทำหมบอกมาปฏิบัติเพื่อแก้ทุกข์แล้วตอนนี้ทุกข์ก็เปล่าไอาตอนไปถามนี่มันยังไม่ทุกข์แล้วปฏิบัติเพื่อแก้ทุกข์แล้วทุกข์มันจะเกิดขึ้นตอนไหนยังไงอย่างาที่พอฟังกระจายอย่างเงี้ยมันก็เห็นชัดๆเหมือนกันว่าอ้าขณะที่มันเคยผัสสะพิจารณาเ น, านี่ยที่มันมากระทบแก้แล้ว ทั้งบกพราวหรือก่าภาษาที่มันเกิดขึ้นโดยมืใจบกพราวนี้มันก็ก็มันก็มีอยู่อย่างเงี้ยทีนี้เวลาเราไปปฏิบัติจริงๆเนี่ยที่ที่อย่างไม่ได้ยังจะชวนเพื่อนๆว่าเเราจะเ้าปฏิบัติกันวันไหนดีทักสาวันอย่างงั้นเราเอาตัวไหนมาปฏิบัติก็ยังงงอยู่นะแค่ตัวที่เราเคยทำเนี่ยเวลาเราไปปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติยาบทสีหรือไม่ปฏิบัติกำหนดลมหายใจอะไรอย่างเงี้ย ที่ที่พอฟังพระอาจารย์อย่างนี้มันเหมือนมีอยู่มีอยู่หมดตัวเลยและตรงนั้นเราจะเจอปัญหาจริงๆเนี่ยตรงนี้ก็คือว่ากรณีสิ่งต่างๆเ่าเนี้ยมันมีอยู่โดยการที่เราอยู่อย่างไม่รู้เราไม่รู้เลยว่าปฏิบัติมันเดินอยู่และไม่เดินอยู่ใช่ไหมเพราะเราขาดโยนิสมในสิการบ้างขาดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบอย่างถูกต้องมีต้นบ้างยังไม่ยมอมจะมาเพราะเราขาดตัวนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็ไม่รู้เวลานี้ปฏิบัติมันเดินอยู่หรือเวลานี้ปฏิบัติไม่เกิดขึ้นยัไม่รู้ได้ไง ศีลสมาธิปัญญาเกิดในช่วงไหนเราก็ไม่รู้ตอนไหนศีลสมาธิปัญญามันไม่เกิดเราก็ไม่รู้มันก็เลยกลายเหมือนคนตาบอดเดินถูกทางก็ไม่รู้เดินผิดทางก็ไม่รู้มันก็เป็นกันอยู่อย่างเงี้ยในสังสาราวัฏสับ ส, มสนมากใช่ไหมแต่ถ้าหากว่เราเรียนรู้ให้เข้าใจที่เบสเสร็จเราก็จะรู้ว่าเออตอนเนี้สิกขาศาสมันเดินอยู่นะมีการไข่ควรมีการพิจารณามีการวิจัยมีการตรึกมีการระลึกอยู่ได้จริงๆอยู่ในขณะนั้ น, น, น, นการปฏิบัติมันเดินอยู่แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากไม่ผ่านการตึกหรือความหลงต่างๆนเราปิด ในกระแสจิตมันท่วมทับจิตในขณะนั้นการปฏิบับติมันก็หยุดชะ ง, งักมันก็ไม่เดินใช่ไ้นการปฏิบับติมันอยู่ในยาบทไหนล่ะโดยมากาก็อยู่ทุกๆุกอิยาบทได้หมดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเบื้องต้นจริงๆถ้าเราจะฝึกยืหัดกับขัดเกาจริง ๆ, ๆเนี่ยเขาเว้นอิยาบทนอนไว้ก่อนเพราะอยาบทนอนมันง่ายต่อการที่จะผือเลยนี่เป็นต้นอันนั้นก็เป็นข้อแม้แต่มันไม่ใช่มีแค่ข้อแม้ทิศอย่างนั้นอย่างเดียวจะเข้าใจถูกไหมล่ะเช่นว่าสีและสิก ข, ขันใช่ไหมบอกว่าบอกสีเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไง เจตนาศีลเกิดยังไงเจตสิกศีลเกิดยังไงสังวรศีลเกิดยังไงวิติกามาศีลเกิดยังไงก็ต้องมาไขควรมามาวิจัยกันใช่ไหมเป็นต้นแล้วเออปัญญามาเป็นศีลได้ไหมสติมาเป็นศีลได้ไหมศรัทธาเป็นศีลได้ไหมสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาชีวะมาเป็นศีลยังไงอนาปิชาอพยาบาทมาเป็นศีลยังไงใช่ไหมสติสังวรญาณสังวรวิยาสังวร ใช่ไขันติสังวรเป็นศีลยังไงต้องต้องมานั่งวิจัยกันด้วยซ้ำเลยที่เราไม่รู้แม้กระทั่งศีลเกิดช่งไหนไม่เกิดช่วไหนก็ยุ่งแล้วเนี่ยงานที้จบเลยเข้าใจอย่างเดียนีน่มันต้องมานั่งวิจัยว่าเออเป็นอย่างนี้จริงๆโดยสภาวธรรมโดยธรรมที่เกิดร่วมการระลึกกันการไข้ควรการวิจัยเช่นเนี้ยเห็นดอกมอไม้นะอันนี้เป็นของศูนย์ถ้ามีเหมื อ, อนอามาเนี่ยอาตมาจะจับเนี่ยต้องต้องมีความมณัติการนะ ของเมีของเราเนี่ก็เห็นไหมเนี่ยของทีม่ใช่ของเราเนี่ ย, ยถ้าเราจะน้อมไปไปจับขึ้นมาเนี่ยศีลเราจะเสียไหมเห็นไหมท่านสําคัญเป็นมูพิษมูเห่านย่างเงี้ ย, ยอย่างนี้เป็นต้นมาการระลึกเนี่ยมันเกิดไงาการระลึกเกิดขึ้นเห็นไหมการระลึกเกิดขึ้นเนี่ยว่าเออระลึกปลายลบศีลเป็นศีล ปารบสมาธิเป็นสมาธิปารบเป็นปัญญาในการวิจัยใช่ไหมให้เห็นว่า น, นี้ทุกเนี่ยอันนี้เป็นปัญญานะตัวปัญญาเนี่ยเป็นศีลก็ได้เป็นสมาธิก็ได้เป็นปัญญาก็เป็นต้นก็ได้เป็นยังไงก็ต้องมานั่งวิจัยจนเกิดความเข้าใจเพราะมันเข้าใจจริงๆเน่ยการการการที่เขาเรีกปฏิบัติมันเดินมันเดินคล่องอย่างนี้มันเดินคล่องเพราะเขาวิจัยแล้วเรียบร้อยเรียร้อใช่ไหม เ ข, เขาสะดวกของเขาเลยทีนี้กุศลศีลเกิดยังไงสมาธิปัญญาเกิดยังไงเช่นเห็นโยมมงคลเนี่ยอนมาอย็นปุ๊บเนี่ยที่อนมาจะเดินกุศลศีลหรือจะเดินสมาธิด้วยปัญญาเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องปุ๊บเนี่ยเอ๊ะเกี่ยวข้องยังไงใช่ไหมเออพูดยังไงให้ให้เป็นให้กุศลศีลไม่เสียอนมาก็เกี่ยวข้องด้วยการด้วยการพูดเม่ให้ิดศีลแล้วจะพิจารณาให้สมาธิยังไงอ่อเจริญเมตตาได้ไหม จะเดินกรุณาได้ไหมมุทิตาเวิกขาให้กระยอมได้ไหมเอาได้อีกไหมสมาธิก็เกิดเอาวิจัยได้ไหมไอ้นี่จะบอกว่าวิจัยยังไงดีละ่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญาณที่เป็นไปส่วนของในทางด้านของขันเนี่ยในเรื่องของอุปาทานขันเนี่ย อ, อันนี้เป็นสมมุตินะฮะสมมุติก็คือชื่อวิญญมคลเนี่ยแต่แท้จริงก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารมิจารที่จริงก็เป็นที่ประชุมของตาหูจมูกลิ้นกายใจ และตาหูจมูกเล่นกายใจก็ดีหรือรูปเวรนาสัญญาสัญถันมีญาณของสมมุติวยมมงคลนกําลังเคลื่อนตัวไปอยู่อันนี้เป็นทุกข์ัพท์แต่ทุกข์ัพริ์อันนี้กำลังเดินไปอยู่ในปัจจุบันพบําลังสืบเนื่องอยู่ในปัจจุบันพบเนี่ยมีตัณหามีวิชากรรมในดีตเป็นปัจจัยนี่ใช่ไหมโดยเฉพาะมีตัณหาเป็นสมุทัยสัจจะโอ้เนี่ยเนี่ย น, นี่เป็นทุกข์ัตริย์จักรอ้ตัณหาก็ดีสมุไอตัวตัวพาทานขัญถันี่สมมติวยอมยมมงคลนี่ก็ดีเนี่ย ถามบอกว่าเออเราวิจัยแล้วเราเข้าใจไหมเราเข้าใจไห่เป็นทุกข์เป็นที่ตั้งของชาติทุกข์เป็นที่ตั้งของชราทุกข์เป็นที่ตั้งของปัญาที่ทุกข์เป็นที่ตั้งของมรณะทุกข์เป็นที่ตั้งของความโศกความลำลารลํบาบันความไม่สบายกายไม่สบายใจขับแค้นใจเนี่ยแล้วจะเคลื่อนตัวไปเมื่อหมดในปัจจุบันนับบแล้วเนี่ยต่อไปละขันนี้ก็จ้องถือปฏิสุทติมใหม่เพราะมีกรรมมีตัณหามียวิชาในเดีกยังไม่สิ้นบอกโอ้โ oh, oh, หนากรุณาเนี่ยแม้เราขันนี้ละ คำที่ปเที่ยววิจัยคนอื่นเนี่ยเอานี่ก็ยังตั้งในชาติทุกชราทุกมลนะทุกเห็นไหมพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบ้างพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบ้างมัน ก, ก็เข้าสูตรไดนะ้เนี่ยเข้าใจยังนี่ปฏิบัติเดินไหมต่เป็นอย่างนี้มันมันเดินมันเป็นอย่างนี้แปลว่าเขาวิจัยได้เขาไข้ควรได้เขาพิจารณาได้ไม่ใช่เห็นปั๊บมันบล o c k หยุดเลยแล้วมันคิดอะไรไม่ออกมึนเลยเนี้ย อันนั้นปฏิบัตินจะไปเดินไดไงเราใช่ไหมเนี่ยถ้าพิจารณาอย่างนี้แปลว่าุ ก, การปฏิบัติมันเดินมันเข้าใจทีเนี้ยนะเขาเรียกวิจัยได้เห็นได้แล้วมีเป็นไปเพราะความเบื่อหน่ายคลายกําหนัดไหมเป็นไปเบื่อราคาโัสาระราคาโทวสารมา้น เ, าเข้าวินัยนี่ใช่ไหมลงอริยสัจไหม เ, เข้ากสูตรเนี่ยเห็นความเป็นไปของการสืบต่อของเหตุปัจจัยไหมเขาเห็นเอเป็นไปกับพิธามพระวินัยพระสูตรพระวิธรรมไม่ขัดหลักของ ไม่ขาดวัตถุพจน์หอมีใช่แล้วคำสอนวุฒยาวเข้าเล้สิเะไมฉถนต้องบอกว่าเออเนี่ยเอาไปเทียบลงนี้ลงในสูตรได้ไหมใช่ไหมเทียบโยงลงในพระวินัยใส่ลงในธรรมด า, าได้หรือเปล่าได้เงี้ยพระวินัยก็ได้เพระสูตรก็ได้เพราะวิธามก็ได้อ๋อนี่เราเป็นไปกับพระธามคำสอนพุฒิเจ้าแล้วนี่หลักเทียบเทียมเข้าใจยังนี่เป็นอย่างนี้ แต่ว่าก่อนที่จะมาพิจารณาได้อย่างเนี้ยมันก็ต้องตั้งต้นใช่ไหมตั้งตน้นแล้วในสุดท้ายพอพิจารณาได้แต่นี้มันม่เห็นทางแล้วถ้ายัางแล้วถามว่าปฏิบัติชื่ออะไรทีนี้แค่ถ้าเปิดขนาดดีที่เราพิจารณาทุกมันยังไม่เกิดทุกมันยังไม่เกิดนี่มันก็จะไม่เห็นใช่ไหมฮะคืออย่างยังถามว่านี่ถามบอกว่า คำวาพิจารณาเห็นว่าทุกเนี่ยทุกของเราเนี่ยที่โดยโดยเข้าไปโดยทั่วไปเรานึกว่าทุกใจเราไปสําคัญว่าทุกใจเอางี้เวทนาเนี่ยเป็นทุกไหมสุขเวทนาเป็นทุกไหมเวขาเวทนาเป็นทุกไหมสุขเวทนาเป็นทุกไหมแล้วมีเวลาไหนบ้างที่เราว่างจากเวทนาสามเอามีเวลาไหนบ้าง มีสักขนาดจิตไหมที่ไม่มีเวทนาไม่มีเลยเวทนาเกิดอยู่ตลอดเวลาก็แสดงว่าทุกมันเกิดอยู่ตลอดเวลาแต่สัตว์โลกไม่เข้าใจเข้าใจยังไม่ต้นงชงวาดิบางครั้งเราก็มีความสุขสบายใจก็นั่นแหละสุขเวทนาเป็นทุกง่ะสุขเวทนาท่านให้เห็นด้วยความเป็นทุกเพราะสุขเวทนามันเที่ยงดีไหนลก กไม่ใช่ต่อให้สุขเวทนาที่กําลังต้แนแดงตัวอยู่แม้สุขเวทนาก็ชั่วทุกเพราะเวทนาเป็นทุกเมื่อนี้ความเข้าใจของสัตว์โลกเนี่ยพทธเจ้าจึงบอกว่าก็สัตว์โลกเนี่ยมีวิปปิลิตมณสิการไปเห็นสิ่งที่มันเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขไปเห็นสิ่งที่มันไม่เที่ยงว่าเที่ยงไปเห็นสิ่งที่มันเป็น อนัตตาเขาเป็นอัตตาเป็นสิ่งที่ไม่งามว่างามซะแล้วเนี่ยพระธรรมของพระเจ้านั้นน่ะทวนกระแสความคิดของสัตว์โลกคือไม่มีขณะไหนเดยที่ทุกข์ไม่บีบไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่มีเลยถ้าบางครั้งทำไมเราถึงมีสุขแต่แเราไม่ได้พิจารณาต่อไปนะครับวันหยุดแต่ทุกอย่มีช่วงหนึ่งมันเข้าใจไงเอางี้นะ ถามว่าเวทนาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วสุขเวทนาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้ววิสุขเวทนาเกิดขึ้นกับโยมเนี่ยในขณะที่สุขเวทนาเกิดขึ้นในขณะนั้นโยมสบายใจความสบายใจเนี่ยเขาเรียกว่าทุกข์เกิดแล้วไอตัวสบายใจน่ยหรือเรียกว่าทุกข์นั่นแหละเขาเรียกว่าทุกข์ภาษาของพระเจ้าเขาเรียกวิปริณามะทุกข์ในช่วงตรงนี้เรารู้สึกแหมยังมีความสุข นั่นแหละจะไม้ตรนี้มาที่ดัใจนั่นแหล ะ, ะมมทีนี้ความมาสอนเนี่ยฟังแล้วเอ๊ะ่เรามีตรงนี้เนี่ยทำไมบอกไม่มีแล้วเข้าใจยังว่าจริงๆสุขเวทนานะ่คือทุกข์เาเรียกวิปรินามทุกข์งไม่ต้องทิ้งเลยน่ทุกข์นั่นแหละใขณะที่สุขเวทนาเกิดขึ้นในกระแสนั่นแหละนั่ะเอางี้นะนั่นเรว่ามีช่งว่านีจะทให้เรามีความสุขเข้าใจคืองี้นะ ในขณะที่คนที่เขาได้สมาบัติเนี่ยเาย้าเจอความสุขได้เป็นวันเป็นเป็นเดือนถ้าเป็นพวกอารมณ์โฮมมาอยู่ได้เป็นกลับเขาก็สําคัญผิดแบบเนี้ยเขาสำคัญวันนั้นแหละสุขสัตว์โลกเขาก็ติดกิเวทนาติดกิอัสาทนานี่แหละแต่พระพุทธเจ้าวันนั้นแหละทุบเผาล้นเธออยู่นั่นความเป็นโรคเกิดขึ้นกับเธออยู่ความเป็นหัวปุ๋ยกำลังเกิดขึ้นความเป็นลูกศรกําลังทิ่มแทงเธออยู่ แต่ได้โมหะกินใจเธออยู่เธอก็เลยเห็นว่าเป็นสุขแท้จริงความสุขกําลังเผารนเธอกําลังกวนกวาดอยู่ถึงจะเกิดขึ้นกับเธอนี้หน่อยในขณะนั้นแต่สุขนั้นมันมีนมเที่ยงพอสุขพอสุขนั้นหายไปเธอว่าอะไรอาวรแล้วก็จะปราดหนาหาสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยในส่วนจริงเธอก็ไม่ไม่เข้าใจว่านี่นคือทุกขก์เลย มีความสบใจในช่วนดนเนี่ยนะคะแต่เราเพราเราไม่ได้ศึกษาใช่ไมเราไม่มีความรู้รากเลยมันมันไปอีกนิดหนึงมันกระทบไอตรงเนี้ยคือไม่เข้าใจอไอย่างเงี้ยนั่นคือเข้าใจไม่ถูกเข้าใจไม่ถูกนั่นแหะ่าะเข้าใจไม่ถูกเข้าใจผิดตลอดเราไ่เข้าใจไม่ถูกไงพอไปเข้าใจว่าสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นสุขใช่ไหะ ถ้าที่จริงแล้วมันหลอกถ้าที่สกเวทนายังไหมสกเวทนามันจะต่างอะไรกับทุกเวทนะเอาจีนถ้าทุกเวทนาหายไปมีความสุขไหมอาจารย์ถ้าถ้าคนไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนอย่างในท่านเนี่ยมันจะคิดนะหาเพราะว่าเองคำสอนในมันค้านตรงนี้แต่ว่าเราไม่มีสูตรเรียนทุกๆคำเลยแต่มันมีอ่ะมันมีช่วงหนึ่งอ่ะมันมีอ่ะว่าจะไม่มียังไงอ่ะไม่มีแล้ก็ตายแล้วสะอยไม่ได้เลยมันมีช่วงหนึงอ่ะ เ อ, เ, อ เ, อเอาเอานี่นะสัตว์นรกเนี่ยเขาไม่มีสุขเวทนาทําไมถึงอยู่ได้ตอบทีเขาไม่มีสุขเวทนาสักขนาจิตเลยทําไมเขาอยู่ได้อยู่ได้ยืดยืดด้ น, นี่ไงแล้วลูกปรพรมเนี่ยไม่เคยมีทุกขเวทนาเลยทําไมถึงอยู่ได้กเวทนานี่ไม่วหวพบไหนมีที่ยังได้งั้นแหละ สัตว์โลกก็องอเพลินใอยู่กับเวทนาเราเพลิดเพลินกับเวทนานี่แหละหลงไหลในเวทนานี่แหละอยากจะหนีทุกเวทนาก็าหาสุขเวทนานี่แหละแต่สุขเวทนาเคยอยู่กับมันได้อย่างถาวรไหย ป, ปัญหาเราดูเอานี้เอางี้ความสุขจากการหลับความสุขจากการหลับความสุขจากการกินความสุขจากการได้นุ่งห่มผ้าถามว่าความสุขเหล่านั้นมันหายไปไหน ท่านอุปมาว่าเราเนี่ยเป็นโรคเรื้อนเราเนี่ยเป็นโรคเรื้อนไอ้คนเป็นโรคเรื้อนเนี่ยมันจะมีฝุหนองมีแผลมีสะเก็ดคนเป็นโรคเรือนเนี่ยต้องกระเสือกกระสนกระเสือกกระสนในการหาเตามาอ่างมาผิงเอาไฟอะ่ะสมไฟแล้วร้อนก็เอาเอาแผลแผลใครมีแผลมากก็ต้องใช้เตามาก ทีนี้เตาเนี่ยที่มามามามาก่อไฟแล้วก็ไปย่างเนี่ยย่างปุ๊บเนี่ยไอตัวหนอนมันก็ชอนเข้าไปข้างในเห็นไหมพอยแผลมันแห้งมันก็เริ่มจะคันๆหน่อยพอเกานั่นแหละมันจะมีความสุขหน่อยจากการเกาอะ่ะจะให้โดนแผล น, นะให้โดนขอบแผลเพราะว่า ม, มีความสุขเหลือเกินนั่นแหละที่ยอมบอกว่าสุกอะ่ะนั่นแหละก็คือกําลังเกาปากแผลอยู่ ทีนี้ในขณะที่เกาก็ลอกปากแผลเข้าไปใช่ไหมไอ้หนองอยู่ข้างในมันก็ร้อนมันนี่มันก็เจาะเข้าไปาในไอ้หนองก็ไหลออกมามันก็ทั้งเจ็บบ้างทั้งเกาบ้างก็เหมือนรู้สึกมีความสุขเหลือเกินโอ้ยสุขมากนั่นแหละคือการมาสุขอ้พอไปถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสอสาขึ้นมาก็สุขตรงนั้นเลยได้เกาทีโอ้ยชื่นใจมากลงทุนแต่ละทีโอ้ยได้กําไรม า, าได้เกาทีมีความสุขมาก ทำไมได้ห่มผ้าอุ่นๆเนือเกลวั น, น, น, น, นทีมีความสุขมากกินอาหารอะไรอร่อยๆอก็เกลเป็นในทีนี้นะได้อาบน้ํำเย็นๆชื่นใจโหเกามีความสุขมากนี่เป็นงั้นพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่เป็นแล้ ว, วเเนี่เราไปเกาอยู่อย่างนั้นแหละมีความสุขทีนี้ปัญหาก็คือว่าคนบางคนเนี่ยต้องใช้เตาเยอะพระพุธเจ้าสถาคตเป็นเจ้าชายอยู่นะใช้สี่สิบสี่มืนเตา มีนางสนมสี่หมื่นนางคอยบำเรอเท้าส ก, ก่เนี่ยนะตอนที่เป็นบุรุชนอยู่เนี่ยมีนางสนมกำนานเนี่ยสามโกดขึ้นนั่นะคือเตาไฟที่เธออังว่งั้นเราก็ดูที่วันวันหนึ่งเราจะต้องเอาเตาเอาเรื่งต่าง เ, เตาไฟมาอังมาผิงเนี่ยเพื่อจะย่างแผลมันแห้งแล้วก็เกาเนี่ยกี่เตานี่ไงความสุขที่เราเรียก นั่นรสชาติของกามเกาไปแต่ถ้าคนอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าเราได้ยาดีหมอดีเราจัดการโลกจัดการต้นนอนเนี่ยหมดแล้วไม่มีเหลือแนละ้วโลกหายแล้วถ้าถามบอกว่าอยากแยกให้เราไปเป็นอย่างนั้นอยูไ่ไหมไม่เอาแล้วเหมือนกันถ้าบอกจะให้ามาไปสุกเหมือนยังยอมเนี่ยามาไม่เอาแล้วเนี่ย ในการนี้ต้องวิ่งเกาแผลอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วแต่ว่าตอนนี้หมาไปยังเกาอยู่นะเพราะหมาก็ยังมีอยู่อย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมเราทั้งหลายจะต้องมีการเนี่ยจัดการในตัวหนอนเนี่ยคือกิเลสเนี่ยให้หมดเสียจะได้ไม่ต้องไปนั่งเกาเข้าใจอย่างเนี้ยพระเจ้าออกมาเหมือนเราท่านทั้งหลายหรือคนมีกิเลสทั้งหลายคือคนเป็นโรกเลยที่มีแผลเต็มตัวแล้ว แล้วก็มีเชื้อโรคไอ้ที่มันเป็นมันเจาะอยู่ตามตัวเต็มหมดแล้วโอ้ทำโอสถอริยมร์ น, น่นะดื่มเข้าไปเลยจัดการโรคนี้หายใช่ไหมสุขเวทนาที่พูดถึงคือทุกประเด็นก็คือมันได้จากการเกา่าเหมือนสุขโอสุขนะสุขนะนะั้นนมองเห็นอย่างเดียนี่เป็นไงเมื่อกี้ไปเก่ามามีความสุขมัมีความสุขนะมั้ ย, ยใใเท่นี้เท่ น, นี้เข้าใจแล้วเนาะเข้าใจจริงจริงนะเดี๋ยวนี้นะ โอ้โห oh, okay. ตรงนี้มันน่าคิดตรงนี้ะอ่ ะ, อะเดี๋ยวเราสวดมนต์กันหน่อยมีใครถามอะไรอ่ะมีใครจะถามอะไรไั้ม